ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอสมาธิตรสูตรมาถึงช่วงที่มีการอาธิบายขยายความองค์ธรรมที่ภาษาดิบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายบรรกอดก็ได้พูดมาถึงเรื่องของผัสสะ คือสลายยตนะสลายตนะก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกตามปกติในกรณีนี้ก็เน้นที่อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้ น, นริมรสกายถูกต้องยินด่อมันแข็งแล้วก็ใจเหนียวนึกสึกนึ ก, นกถึงอารมณ์ มันก็เป็นเรื่องชีวิตประจําวันของคนแต่ตามปกติแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่ายินดียินร้ายมีความชอบกับความไม่ชอบพอเกิดความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็จะนําไปสู่ปัญหาชอบมันก็เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจการไขว่คว้าปรารถนา จนบางครั้งบางคราวก็แรงเกินเหตุเราจะพบว่าจะมีการชอบชายหนุ่มชอบหญิงสาวดุนแรงจนถึงกับไปจุดฆ่าเอาไปเป็นคู่ครองหรือบางทีพอมีการขัดขวางก็จุดฆ่าแล้วขมคืนแล้วก็ฆ่าเขาเป็นตน้นนั้นเราจะเห็นว่า ไอที่จริงตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้แรงหรอกเดียวว่าใจถูกปรุงด้วยกิเลสที่แรงก็ทําให้ประสาทสัมผัสเหล่านี้ถูกใช้ไปในทางที่รุนแรงตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นเครื่องมือของจิตทีต่เราเห็นว่าใช้เป็นในทางบวกก็ได้ใช้เป็นในทางลบ ก, ก็ได้ แต่เราก็ต้องมีเขาอะเราก็ขาดเขาไม่ได้เจนสมมุติเราตาบอดหูหนวกเนี่ยก็แย่แล้วคือประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยคือถ้าเสียไปสักอย่างเราก็กลายเป็นคนพิการแต่ในขณะเดียวกันเขาเองเป็นกลางๆางเนี่ยทำยังไงเราจึงจะใช้เขาให้ในทางสร้างสรรค์ ก็หมายความว่ามีปัญญาเข้ากำกับมีสติเข้ากำกับแล้วก็าหาประโยชน์จากอารมณ์ที่เรากระทบก็ไม่อื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสผูดถภาแล้วก็ธรรมารมโลกไว้ก็มีอยู่เท่านั้นเนี่ยเพือนองค์ธรรมเหล่านี้เราจะเจอและที่จริงเราจเจอทุกวันนะนะเราอยู่กับเขาเขาก็อยู่กับเรา ตาเราเห็นรูปเยอะวันวันหูก็ควังเสียงเยอะจมูกมก็ได้กลิ่นเยอะลิ้นก็สัมผัส ร, รสเยอะกายก็ถูกต้องอารมณ์เยอะแล้วก็ใจเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคือนิวนึกถึกนึ ก, นกถึงอารมณ์ทั้งหลายมากพอเราเห็นว่าเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นกลางกลางมันเป็นรูปปันคือส่วนของรูปปั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย แต่ว่าใจก็เป็นส่วนเขานำมาคันเพราะปัญหาสำคัญว่าระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยคือทํอยังไงจะกำกับควบคุมประสาทสัมผัสเหล่านี้ให้ออกมาในทางมวกเพราะเราขาดเขาไม่ได้แต่ถ้าเรากากับควบคุมไม่ได้นะควบคุมการใช้นะฮะจริงๆแล้วก็ควบคุมการใช้มนคุมเข้าถึงจิต ถ้าจิตขาดการควบคุมมันก็ใช้ไปในทางไม่ดีดังกล่าวดังนั้นในแนวของศีลเนี่ยตัวเจรีมว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าจะรับสั่งเรื่องโคจรคือสถานที่ที่ควรไปและไม่ควรไป และกรอบมันก็ควรดูหรือไม่ควรดูควงพังไม่ควรฟังควรรวมไม่ควรรวมคนรลิ้มไม่ควรลิ้มผวนจับต้องหรือไม่ควรจับต้องแต่เราต้องควเหนียวนึกหรือไม่ควรเหนียวนึกมันก็เน้นไปที่การใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถือหมายความว่าบางครั้งบางคราวเราสัมผัสนั่นแหละคือเราหลีกเลี่ยงสัมผัสไม่ได้ แต่ถ้าใส่ใจเรื่องอะไรแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากขึ้นก็ไม่ควรเสียใจแอบใส่ใจในเรื่องนั้นแต่ถ้าหากว่าใส่ใจเป็นน่ะคือใส่ใจไปแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่ากิเลสมันก็ ล, กลดกใ็ใส่ใจสนใจในเรื่องเหล่านี้ <monster> แต่ว่าตอนนี้มันต้องใช้สติปัญญาเยอะ เราจึงจะสามารถปรับจิตให้ทันกับอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะแนวศีลมันจึงหนักไปในทางที่เรียกว่าสมรวมระวังไม่ให้จิตเกิดความยินดียินร้ายแต่ให้จิตมันเกิดรู้เท่าทันถึงความจริงยังปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่า จิตมันควรจะตั้งอยู่ในจุดที่ที่จำเป็นจะต้องตั้งย่งกนณีข่าวคราวที่มีการฆ่าพระแล้วก็ฆ่าเด็กซึ่งมาเป็นเพื่อนพระที่จังหวัดปัตตานีรู้สึกว่าที่อะไรปานาเระอะไรนี่ก็เราฟังข่าวแล้วเราก็สะทุกสะท้อนแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย คือไปแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องการในรัฐบาลเนี่ยใช้ความรุนแรงโตตอบความรุนแรงแล้วก็ขู่ว่าจะเข้าทางเขาที่เขาเตรียมมาไว้มันก็อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยปัญหาจะให้ทำยังไงห้ราชการทำยังไง ปล่อยคนก็ฆ่าคนได้อย่างอิสระเสรีหรือยังไงเราไม่พูดถึงพระที่ถูกฆ่าเราไม่พูดถึงเด็กที่ถูกฆ่าแต่เราก็ปกป้องผู้ฆ่าซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่แปลกคือในกรณีนี้สําหรับพระเนี่ยเขาหวางเฉยคือเราจะพูดส่งเสริมให้มีการจับกุมหรือไล่ล่ า, ลามันก็ไม่ได้ แต่จะพูดห้ามปลามันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องภารกิจหรือเป็นเรื่องพันธกิจที่คนเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือว่าตัดสินยงใจยังไงมันเป็นเรื่องของเขาทีนี้ในส่วนคนของเราก็คือพระกับเด็กเนี่ยพอตาจะแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอยากพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขา แต่ส่วนกับนคนร้ายมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพานบางครั้งบางคราวนี่เราเจอเห็นว่าเฉยๆใชบ้างได้ไหมโดยเฉพาะพวกเอ็นอทั้งหลายพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่คณะกรรมการสมานฉันเนี่ยคุณพูดทุกคราวคุณปกป้องคนผิดทุกคราวเลย เด็กุลคุณก็เหยียบดำซ้ำเติมข้าราชการเนี่ยแล้วก็ออกมาพูดอยูสามเรื่องเนี่ยเพราะฉะนันอย่าลืม่าพระพรหมมันมีสีหน้านะหน้าที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องอยู่ที่อุบเบกขาแล้วก็ไม่ยินดีจินไยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเก่าเราก็ไม่ไปคิดไปแช่งซ้ำเติมใครหรอก เราก็ทำบาปกรรมขนาดนั้นเขาประสบผลกรรมเขาเองจะเร็วหรือช้านั้นเป็นเรื่องกระบวนการของกรรมก็ไม่มีความเช็นแต่ว่าในกรณีที่เราทำได้เราก็ทำสมบัตนะิสมัครพระมันก็ต้องเตือนตัวเองให้เป็นบุทเรียนเพราะศาสนาที่มันเกิดมาอายุนานๆมาแล้วเนี่ยเป็นพันกว่าปี อิสลามก็กว่าพันสกว่าปีเราก็2500กว่าปีคริสต์นี่ก็สองพกว่าปีเราต้องมองประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ำรอยของมันตลอดเราก็อาศัยบทเรียนทางประวัติศาสตร์ปรับเปลี่ยนองค์กรต่างๆ แล้วก็ปรับภายในเรานะฮะเราจะพึงแก้ไขอะไรข้างนอกก็ไม่ได้คร้วปัจจัญหาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวิถีพุทธเนี่ยมันคือแก้ข้างในคือไม่ไปทำลายข้างนอกให้ลองสังเกตว่าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยทำลายทรัพย์สิน ไม่เคยสอนให้ทำลายชีวิตไม่เคยสอนให้ทำลายทรัพย์สินไม่มีเคยสอนให้โล่งละเมิดในทางเพศไม่สอนให้ทำยังไงก็ได้ขอให้ชนะคือไม่สอนอย่างนี้นล้วจะมีหลักอยูท่ที่ประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นตุจริตเประพฤตธรรมที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้เดจิตเจ้าวาด แกสัมภาษณ์นักข่าวทางวิทยุที่เขาโทรไปสอบถามถามว่าพระคุณเจ้าทำอย่างไงบออ่ะอมาก็ยืนดูมันรู้จะทำอย่างไงคือพระทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าออกไปก็คือเพิ่มคนตายแต่นั้นเองมันไม่ใช่กลัวแต่กลัวบากเพราะถ้าพระออกไปแสดงการต่อสู้ เราก็หมดความเป็นพระเจนสมมติว่ามีปืนแล้วไปฆ่าเขาตายเนี่ยเราก็หมดความเป็นพระตอนสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบบาปไปเบียดเบียนใครขนาดนั้นไม่ได้อย่าถือไปจุดอ่อนจุดแข็งล่ะมันก็อยู่ที่กลุ่มพุทธบริษัทที่เป็นคารวะก็รู้สถานภาพของนักบวชตัวเองดีว่า คือไปทำมันไม่ได้หล่วในศาสนาอื่นเ็าอาจจะทำได้แต่ว่าศาสนาพุทธนี่ทำไม่ได้เปลินก็เมื่อเราทำไม่ได้ก็ทําใจเป็นกลางกลางแล้วก็กับคนก็รอเราก็ ก, กรุณาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ที่จริงก็ช่วยเหลือกันนะ น, นะ มันเป็นภาระหนา้าที่ที่เราจะต้องทำาพราปัญหาเรื่องประสาสัมผัสเนี่ยมันเป็นปัญหาตลอดทุกวัน น, นะนะเรียกว่าทุกขณะจิตจะสัํงไปแนวอินทรียสังวรจึงส่งเน้นย้ำไว้มากเพราะว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอหยุดพูดซะบ้าง เราหยุดดูสักบ้างหยุดฟังสักบ้างหยุดพูดสักบ้างมันก็จะลดความรุนแรงลงไปยังยกเหตุยกตัวอย่างเหตุการณ์นะภาคใตที่มาเขียนไว้ในหนังสือที่นี่คือประเทศไทยเนี่ยคือเราเห็นจุดอ่อนอย่างหนึ่ง ว่าการที่สื่อสารมวลชนให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยมันเร่งความฉี่ในการฆ่าเพราะถ้าสื่อสารมวลชนไม่เสนอเลยแล้วพวกนี้มันก็จะหยุดความรุนแรงเพราะว่าทำไปแล้วประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่ได้ หรมสร้างเงื่อนไขให้เขากระทำรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกเหล่านี้ไม่ได้คิดถึงบาปุลคุณโทษอะไรเรียงมองในแง่ของความสุจริตใจว่าเขาไม่ได้มองศรัทธาในศาสนาอะไรด้วยซ้ำไปแต่เราไม่รู้เขาคิดอย่างไงแต่นั้นเองปัญหาใหญ่ในเรื่องของสลาญตนะนี่เราจะเห็นว่า ตัวเข้าเนี่เป็นกลา ง, ลางคําถามสุดท้ายก็คือคุณคิดอย่างไงล่ะเราคิดได้บวกก็ได้คิดได้ลบก็ได้เพราะว่าอย่าลืมมาอายตนะนี่มันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานหรือเป็นนามรูปอะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั่งสมถะกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานทั้งศีลทั้งศีลสมาธิปัญญาแหละเราต้องใช้อายตนะทั้งนั้น แล้วก็แม้แต่พวกเรื่องของทุกกษัตริย์มันก็อยู่ในพวกเหล่านี้ยแล้วข้อต่อไปเนี่ยท่านก็บอกว่าพันน า, นนาถึงนามารูปวาระคือแนวการอธิบายอย่างที่บอกว่าเป็นแนวที่จักเป็นชุดๆๆและมาขยายความยกขึ้นมาทีละประเด็นทีละประเด็นโดยการเน้นองค์ธรรมในปฏิจจสมบัติ แต่ว่าขยายให้รายละเอียดเดยอะนามไม่มีการน้อมไปเป็นลักษณะนามเนี่ยคืออาการที่น้อมไปน้อมไปดูน้อมไปฟังน้อมไปดมน้อมไปลิ้มน้อมไปชิมน้อมไปจับต้องนะแล้วแม้แต่ไอ้ไ อ, ไอ้ยตนาภายนอกคือรูปเสียงทิ่รถผุดสะพาก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้รูปเป็นคือรูปปฏิปิรูปโอ สิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปแต่สิ่งนั้นก็เป็นโรคเรออาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เสื่อมรูปเสียงกินรถผลตะพาข้างนอกก็เสื่อมมันเสื่อมสลายไปเรื่อยๆมีการเกิดดับที่จริงก็ค่อนข้างถียิบแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดคือในรายการวันจันทร์เนี่ยลองสังเกตว่ามีนักศึกษาพิธรมคนหนึ่ง แกถามปัญหาทุกครั้งเนี่ยทนเสียงนี่แสดงอาหารการคือไม่ได้เจตนาจะหาความรู้อะไรหรอกแต่เจตนาจะลองภูมิคนตอบจะคมขีว่าฉันนี่เก่งนะฉันพูดอภิธรรนนะมันขาดสามัญสํานึกเพราะถ้าคุณจะพูดอภิธรรมเนี่ยมันต้องพูดในห้องอภิธรรมมันไม่ใช่พูดออกอากาศอย่างเงี้ยพวกไกลเกินตัวไปอรูณประพมอยู่ยังไงเนี่ย แล้วใครจะตอบได้ ร, รู้อยู่อีแงแล้วแกก็ชอบถามชอบถามอย่างนี้ทุกทุกที่คือแต่ว่าโทนเสียงของเธอเนี่ยมาแสดงอหังการมันไม่ได้ความใคร่ทำอะไรหรอกแต่แสดงว่าชั้นเนี่ยนักอภิธรรมนะเพื่อได้ฟังเสียงนี่คนนี้เก่งคนนี้เป็นนักปลาแต่จริงรายการตรอร่อปัญหาเนี่ยเขาต้องการแก้ข้อสงสัย ความใสงสัยเรื่องอะไรต้องการจะรู้ต้องการจะเทียบเคียงกับความสิ่งที่ตนเข้าใจเกียกับสิ่งที่ตนเรียนรู้มาก็ทําแต่ไม่ไปใช่เป็นที่แสดงอังการคของตัวเองเพราะเป็นลักษณะของมานะคือกระด้างแล้วอัติมานะด้วยก็ดูหมิ่นคนอื่นเพราะในการไปนับควารูจิตเนี่ยมันเลิกเลิกถามเลยเรื่องเรื่องทางวิทยุเนี่ย ดูจิตตัวเองเถอะไ อ, อ้ทุกะไอ้เหตุทุกขะอะไรอะไรต่างๆนี่ติทุกกะอะไรคือจริงๆเนี่มันจิตมันมันเป็นขณะขณะที่ทียิบเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปนับเนื้อะไรมันงหรอกดูให้เห็นธรรมะในจิตดูเห็นกิเลสลดลงจากจิตก็พอแล้ว เพราะงั้นเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่การลดกิเลสการเพิ่มธรรมะประเด็นมัมีเท่า น, า น, า น, า น, า น, นั้นหมายความว่าตัวทุกข์ัตริย์เนี่ยเราต้องปล่อยวางความยึดมั่นหรือมันต้องเข้าใจเขาแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นหรือมันลงไปพอเราไปยึดติดของเรานะเป็นเรานะเป็นตัวเป็นตนขอเราลดพวกเนี้ยนะเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าพวกขันทั้งหลายเนี่ย ใ น, ในที่นี้จะบอกเวทนาสัญญานะเวทนาก็ได้แก่เวทนาขันสัญญาก็แก่สัญญาขันเจตนาภาษามนทิการเนี่ยก็คือสังขารขันอันที่จริงขนาดนี้ก็พูดยากนะคือไม่ไม่จำไม่ไม่ควรจะพูดออกโทรัสวิทยุในทําไปขนาดนี้นะฮะเพราะผู้นั้ต้องอธิบายรายการวิทยุเนี่ยเป็นรายการที่เราพูดกับคนรู้ทั่วไปพูดปัญหาที่ใกล้ตัว มันไม่ชุดไม่ไม่ใช่ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าพวกเนี้ยคอยทาความรู้จักเอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเป็นสังขารอย่างหนึง่งแต่อย่าลืมสังขารเองก็บัญญัติเรียกเอานะสัญญาเองก็บัญญัติเรียกเอาเวทนาเองก็บัญญัติเรียกเอามันไม่เป็นสากลหรอกภาษาจีนก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษ ก, ก, ก็เรียกอย่างหนึ่งฝรั่งเศสก็เรียกอย่างหนึ่ง ภาษาบาลีก็เรียกอย่างนี้ภาษาไทยก็เรียกต่างกันเห็นไหมฮะคือมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นภาษาที่สมมติเขาเรียกว่าโลกกับภาษาโลกกับนิรุตโลกโวหารโล ก, กสมัญญาคือกําหนดกันขึ้นคือบางครั้งบางคราวในเราไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรไปถกเถียงเรื่องปักไม่ปักตรงไม่ตรงเนี่ยมันเสียเวลา คือที่จริงเนี่ยมันไม่ใครชี้ชีผิดชี่ถูกไม่ได้มันใช้สัญญาจากอดีตมาเป็นหลักในการตัดสินเท่นั้นเองโลกมันก็หมุนไปงั้นเนี่ยเราก็ไปตั้งกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาเองการทำความดีมันอยู่ที่การคิดดีพูดดีทำดีให้แม่นได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นไม่ไม่ต้องไปยุ่งเวลาอะไรมันหรอกการอังคารพูดเประอาสุขาเนี่ยที่จริงมันเราสมมติขึ้นมาเียกเฉย เป็นกติกาเป็นก ฎ, ก า, น ก, ฎการนับหมายทางสังคมมันไม่ใช่ตัวสาระธรรมะระธรรมะก็คือว่าทุกลดกิเลสลดธรรมะเพิ่มสุขเพิ่มสุขสงบเพิ่ ม, เ, ม เ, อเอาจับประเด็นตรงนี้ที่ท่านท่านบอกว่าธรรมะแม้อย่างอื่นที่สงเคราะห์เข้าในสังขารขันเนี่ยก็จริงแต่ว่าทำสามอย่างเนี่ย นี่อยู่ในจิตที่มีพลังต่ำทุกดวงอันนี้ก็นับในอภิธรรมมา ก, มากไปไหน่อยนะทีนี้คำว่ามหาปุตต ร, รู ป, ปอย่างหนึ่งคือดินน้าลงไฟนะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นองค์ประกอบร่วมในชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยบางทีท่านแยกเป็นธาตุสี่แต่ถ้าแยกเต็มที่เนี่ยก็แยกเป็นธาตุหกเพระาะธาตุสียังไม่ถึงก็เป็นชีวิตนะฮะ แต่ธาสีมันก็มีทั่วไปแต่ว่าเรามีวิญญาณธาตุอยู่พอวิ ญ, ญญาณออกจากร่างสุดโดเบตวิญญาณโนปวิ ญ, ญญาณออกจากร่างอันนี้ก็เหมือนถอนไม้เพราะนทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยมันก็อาศัยอยู่กับผุดปูดรูปทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟนะแล้วอากาศตามปกติตอนต้นๆเนีน่ยท่านจะไม่พูดเรื่องอากาศ แต่จะพูดเฉพาะดินน้ำมังไฟาเขาเรียกพูดจะพูดเฉพาะหมาพุตธรูปทั้งสี่ตัวนี้มองอยังไงมองในแง่ที่มันเป็นสภาวธรรมทำความเข้าใจกับมันรู้จักมันนะสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเราเจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาโดยสภาพของมัน แล้วก็อายตนะภายในเองมันก็ตกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเหมือนกันเพราะนเมื่อมันเกิดมันตั้งอยู่มันดับไปเนี่ยเราก็ต้องทำใจยอมรับความจริงอย่ายินดีอะไรเกินไปอย่ายินร้ายเกินไปนะเพราะถ้าดีเกิดมันก็ดับนะชั่วเกิดมันก็ดับเพราะเป็นกระบวนการของการเกิดดับทีนี้ เรื่องอายตนะเนี่ยเราจะพบว่าในส่วนของพระวินัยในส่วนของศีลแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องอายตนะอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าที่เราสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดศีลก็ได้เป็นเหตุให้เสียศีลก็ได้ เป็นเหตุใเกิดธรรมะ ก, ก็ได้เป็นเหตุให้เสียธรรมะ ก, ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องหลานี้เปลบางครั้งบางคราวเราจึงพบถึงการพูดถึงค่อนั้งทำยากนะแต่ว่าทำให้ได้บ้างก็ดีฉันมองอายตนะภายนอกก็สับไปว่า สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนแข็งสักแต่ว่าอารมณ์พอมาถึงข้างในเราก็ถือว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้คําว่าทราบนี่หมายถึงทราบกลิ <ส imiz S 1> <อ>่นด้วยจมูกทราบรส ด, ด้วยลิ้นรทราบเย็นร้อนอนแข็งด้วยกาย แล้วก็รู้ได้จะหมายถึงรู้ได้ใจก็เฉยๆสักบ้างแต่ว่าไม่จะเฉยทั้งหมดนะคือหลักการปฏิบัติธรรมที่บูชาส่งเน้นมากเนะี่ยแม้แต่ตอนที่จะไปนิพพานนะส่งประรบการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก พวกนักบวชตา่างศาสนาเนี่ยบอกว่าเขาลุยดอกไม้ที่บูชาพระพุทธเาจา้าอะไรดอกไม้มัท่วมท้นนะ่ะสูงเป็นภูเขาสูงสูงถึงเขาก็ลุยไปเลยเพราะการบูชาธรรมเนียมของอารยันเนี่ยเขาก็แปลกนะเขาโรยดอกไม้ทุกวันก็ยังโรยอยู่ดอกไม้จะเยอะมากเอาไปโรยในที่ต่างๆ จนพระคันตกุดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าคันทักก็คือกลิ่นนหมายความเข้าไปใกล้แล้วได้กลิ่นหอมของดอกไม้แต่พระเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นการบูชาอย่างยอดยิ่งแต่คนใดก็ตามเขาเรียกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรร ม, รมอยู่นั่นชื่อว่าเป็นการบูชาต่อตถาคต ด, ด้วยการบูช า, อ ย, ายอดเยี่ยม เพราะเนื้อหาสาระที่จริงมันไม่เคยรุงแรงงนะฮะแต่เราทำให้รุนแรงกียังรู้สึกเสียดายว่า้าพูดเรามาอยู่แบบเ้าเรียกว่าศีลปตรประมาศเนี่ยคือรูกๆปปอยู่เยอะเลย่อเราข้าจริงเราก็ไม่ได้มองที่ความเปลี่ยนแปลงในทางจิต บางทีก็เรียนเป็นอาจารย์อภิธรรมสอนอภิธรรมแต่โอ้ขี้โกรธไม่ได้ไปเดียวก็โกรธอะ่ะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีลักษณะอ า, าการดูหมินคนอื่นและยกตนขมคนอื่นจะมายัางนี้ว่ามันมาจากอัตรกรถาอัตสาณี่นี่เพราะวิธีการพูดในอัตกถาตัวเนี้ยอ ต, ต, ตอนข้างๆ ต, ต้นๆเนี่ยมัน คื อ, อยังนึกว่าโวหารของพระพุทธโคสาจารย์ท่านไม่มีนิสัยอย่างเนี้ยแต่ทําไมมันเกิดอาการอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันเกิดขึ้นที่คณะมหาวิหารในลังกาเพราะว่าพระพุทธโคสาจารย์ท่านมาพักอยู่ที่คณะมหาวิหารที่ลังกาและตอนนั้นก็ทะเลาะ อ, อยู่กับอภัยคดีพิหั ก็แสดงว่าจุดเน้นที่ต่างกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยจะให้ร้ายป้ายสีคนอื่นนีกเก่งอย่างนี้อย่างกรณีพูดถึงสังขีติกถาพูดถึงการทังกายนาเวลาท่านพูดถึงภิกษุผู้วัชชีภิกษุชาวเมืองวัชชีภิกษุวัชชีบุตรทั้งหลายที่ท่านก็ผิดวินัยแปดข้อสิบข้อ อย่างสูงสุดเนี่ยคือต้องอบัตตินิสกิยาปาจิตีแต่ทุกข้อเนี่ยเป็นปณิวัชชาเป็นโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยมันไม่ใช่เป็นโลกวัชชาแล้วก็เป็นไปได้ทต่ว่าท่านท่านเป็นสายของพระปูรานะในยุบต้นยุคปฐมสังกายนานะก็สืบสายกันมาก็หลายชั่วคนเนี่ยนะในรอบร้อยปีเนี่ย ท่านก็ไม่เข้าใจหรอกว่าผิดมันคื อ, อยังไงเพราะมันไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเทียบเคียงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เย็นรู้กันมาอย่างนั้นแต่ว่าท่านใช้คำแรงแต่เจ้ากูผู้ลรชีกล่าวว่ามันแรงเกินไปคือเราคิดว่าพุทธบริษัทด้วยกันเนี่ยไม่น่าจะใช้คำอย่างนั้นก็ท่าไม่ได้เจตนาเลวร้ายอะไร อันนี้ก็คือลักษณะคือเสียในในในแวดวงของของชาวพุทธเราเนี่ยเพราะเราเห็นว่าเป็นศาสนาชี้ผู้เจ้าเน้นที่สามัคคีมากเน้นที่เมตตาทางกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเน้นที่การสงเคราะห์อนุเคราะห์แบ่งปันฉเฉลี่ยบแบ่งปันกันเน้นที่ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกัน แต่ก็จริงเรามีความเป็นเราเป็นเขาที่แรกอันนี้คือนายแพทยบงชาวพุทธไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเราจะรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรกมีนิกายนั้นนิกายนี้สำนักนั้นสำนักนี้วัดนั้นวัดนี้จนในวัดเองในคณะนั้นคณะ น, นี้จนถึงก็องนั้นองค์นี้โอ้ยุ่งจังเลยแล้วมันรุงรังขนาดนั้นก็ไม่รู้ คือคือไม่ได้มองในภาพรวมของความเป็นพุทธบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่ชาพูดต้องทบทวนนะฮะคือต้องสัมม น, นาต้ององหานมามองเข้าเข้าในคือมองออกนอกกันมานานตอนนี้มากำลังจะทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งูดเรื่องวงการพุทธศาสนานโดยเฉพาะคือที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง แต่เรามองเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เทียบเคียงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็มองไปสู่อนาคตโดยประมาณการเนี่ยคือยังคิดว่าถ้าชาวพุทธเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่กลับมาเข้าสู่หลักการที่ถูกต้องเด็กรุ่นใหม่จะตั้งคำถามว่ามีพระไว้ทำอะไรเพราะโลกเทคโนโลยีเนี่ยมันมันให้คำตอบชัด กดปับ๊บกดปับ๊บเห็นปุ๊บกดปับ๊บรู้ปุ๊บไปอะไรอะไรมันมันมันมาแรงมากเพราะแต่เราไม่สามารถให้เด็กแก่เข้าใจได้เด็กก็จะอยู่ในในวัตถุคือเกณฑ์กำหนดหมายกันในเชิงวัตถุแล้วกระแสมันแรงขนาดนี้ถ้าเรามองดูรายการโทรทัศน์บางรายการเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กแถวอายุสักไม่ถึงยี่สิบปีนะที่ 6ก7ิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าแต่แตเนี้ยนะไปเต้นแรงเต้นกายอยู่ออกโทรทัศน์นุ่น้อยหุ่มน้อยทั้งคู่เลยทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยแล้วยังนึกว่าเออผู้ใหญ่อยู่ในสถานีนี่ยมันคิดยังไงปลอยให้ไปเต้นได้ยังไงในความเป็นกุลสตรีไทยคือแสดงว่าทอดทิ้งวัฒนธรรมหมดแล้วไม่สนใจวัฒนธรรมไทย มันคงไม่หมดทุกคนแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกนี้มันระบาดนั่นก็ทาให้ให้ให้เรามองว่ามันจะกระทบถึงศีลนะกระทบถึงศีลกระทบถึงธรรมะปัญหาคืออะไรก็คืออายตนะอันนั้นมันเป็นรูปเป็นรูปเป็นเสียงนะที่ชัดเจนว่าเรามองนาทรทัยเป็นรูปเป็นเสียง แต่ในขณะเดียวกันเป็นสัมผัสทางตาด้วยแล้วทีนี้ถ้าสะสมมันก็กลายเป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างที่เรารู้เห็นกันว่ายังนึกว่าศีสีส่ข้อนี้จะเอาไหวหรือเปล่าแล้วพอมันกลายเป็นคาดนิยมว่าคือมันอยู่ในหมู่โจรวยกัรนนะ่ะมันไม่มีคนชั่วนะในหมู่โจร ในมูอพวกที่มือเป็นมือปืนละกันเนี่ยมันไม่มีคนชั่วนะในมือปืนเนี่ยใครฆ่าได้มากถามไปเป็นไงเดือนนี้ได้กี่งานหมายความตายกี่ศพพอใครได้มากเลยเพื่อนยกหวแมแม่โป้งให้เละอันนี้คือคือเราจะเห็นว่ากระแสะสังคมเนี่ยสังคมข่วนย่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่มันมีลักษณะความวิปลาดทางทางจิต แต่ว่าเมื่อกระแสเขามากเนี่ยเมื่อคนส่วนมากเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ย<ๆ>เขาเข้าใจอย่างนั้นสังคมก็กเกาไว้ไม่อยู่พอในที่สุดเนี่ยเขาก็ยึดกลุ่มสื่อต่างๆเอาไว้หมดสะท้อนความคิดความเห็นอะไรๆ อ, ออกมาก็ยังมองว่าเนี่ยความคิดเช่นเช่นว่าคนประเภทแพทย์ที่สามอะไรเนี่ย นั่นก็จะมีอิทธิพลดูทางสื่อต่างๆสูงขึ้นเขาก็ได้สถานะจากสังคมจนแน่นอนจริงๆมันไม่ควรรังเกีอะไรหรอกแต่วิญญามันมากเกินไปก็เราจะเห็นว่าพวกเนี้ยมันไม่ใช่เวลธรรมมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงอะ่ะมันเกินหญิงไปผู้หญิงเขาก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ตุ้นกระติ้งอะไรขนาดนั้น แต่ว่าพอคนมากแล้วมันก็ครอบงากลายเป็นเรื่องปกติหมดทีนี้อย่าลืมว่าทั้งหมดมันกระตุ้นกิเลสเออทาอย่า ง, งออนี้ดีเนี่ยได้สตางมันเกิดโลภะเลยก็ถึงจุดหนึ่งจะไม่สนใจแล้วทํายังไงได้เงินน่ะทํายังไงได้เงินเอาทั้งนั้นไม่เลือก นั่นคือปัญหาปัญหามันอยู่ที่อาญตนะเห็นไหมปัญหายังอยู่ที่อนะญาญาตนาอยู่เลยเพราะนปัญหาใหญ่ปัญหาอาญตนาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันเป็นสงครามแย่งชิงมูลชนแล้วก็โลกควายวัตถุในส่วนมากก็ชนะนะเพาะไรเพราะว่าเรื่องวัตถุนี่มันสัมผัสได้ง่ายมันไม่เหมือนธรรมะ ธรรมะที่สัมผัสยากแล้วก็ที่ท่านบอกเนี่ยเป็นปัจจิตังก็รู้ได้จากพาะตัวเคยทําใครได้ความสงบเย็นมันก็อยู่ที่จิตซึ่งสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์มันก็สงบเย็นใครทํำคนนั้นก็ได้แต่ผีก็ผลประโยชน์เนี่ยแล้วเห็นว่าคนอื่นทำเราอาจจะได้แต่ว่ า, า จ, จะได้มากกว่า กิจยางที่เคยบอกนีว่าทุกอย่างเนี่ยนะยกเว้นคุณธรรมทุกอย่างในโลกนี้ยกเว้นคุณธรรมอย่างเดียวอย่างอื่นเราใช้เงินซื้อได้หมดความรู้เราก็เอาคนที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นมาทํางานในเราได้ความคิดเราก็ระดมความคิดกันมาได้ ความสามารถเราก็ใช้คนตามที่ก็สามารถได้จ้างคนดับนี้ก็สามารถได้แต่ว่าคุณธรรมแต่นั่นเองที่เราต้องมีเฉพาะด้วเราอย่างอื่นไม่จาเป็น น, นะนะเพรา ะ, ะเราเห็นว่าเศรษฐีเป็นนั่นมากที่เซ็นได้หนังสือได้อย่างเดียวหรือบางทีก็กดหัวไม่โป้งเอาอะแต่แกก็รวยได้นี่คือสิ่งที่สังคมต้องคิด ต้องคิดว่าทายังไงว่าคุณลักษณะของความเป็นพุทธเนี่ยจะกลับมาเพราะอย่าลืมว่าถ้าโลกชิ้งาศาสนาวันไหนนะมันก็เป็นกะลียุก ค, นะคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจอย่างเหการที่พักได้เนี่ย ในเหตุการณ์ที่สะท้อนในข็นถึงความรุนแรงและคนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดพยาคติคือเกิดความกลัวไม่กล้าพูดไม่สกาดแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วในสุดมันก็เกิดโมหคติไอผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดยุ่งกันหมดเลยแล้วเราจะลืมนะฮะว่า ถ้าเราไปศึกษาจากเอกสารต่างๆเราจะเห็นว่าแม้แต่ระดับอาจารย์มหาวิทลัยเนี่ยก็พยานยาจะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเองเป็นทั้งมองตัวเองเนี่ยเป็นอู่ของอารยธรรมใหญ่ในแผ่นดินคือโดยลืมไปว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดมาพันสี่รกว่าปีแต่นั่นเอง กว่าจะแผ่เข้ามาได้ถึงดินแดนแถบนี้มันก็ตั้งนานนะมันร่วม 2000, อสองพันพศสองพันกว่าแล้วศาสนาพุทเกิดก่อนหนะ้านั้นพันรอยพันกว่าปีนะฮะคนไทยอยู่ในแถบนั้นแหละเมื่อัตวรรที่สี่ก็มีแล้วก็เรียกว่าไตบ้างไทยบ้างไตบ้างนะไตบ้างไทยบ้างอนะไรนะ ก, ก็คือชื่อัีจริงเป็นเป็นการสมมุติเอา เปิลคนเราถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่มีใครรู้จริงหรอกอย่าไปคิดว่าฉันรู้มากคนคุณรู้น้อยนยี่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จริงอะ่ะเราเกิดไม่ทันทางนั้นแหละแต่ละอย่างมันก็คือเรานึกถึงความจริงว่าเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเราก็นั่งฟังอยู่อะเราอ่านหนังสือพิมพ์เรานั่งฟังเราดูโทรทัศน์อยู่ อ, อ่านหนังสือในคนละเรื่องเดียวกันเลย คือบางเรื่อเนีเอามาอัดเทปไปเดี๋ยวทำไปแต่เราฟังเนี่ยคนละเรื่องแล้วคนเหล่านี้ไปอ้างว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์คือคนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เห็นอะไรนะฮะต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งคนมากๆเนี่ยคนเต็มถนนราชดำเนินคนอยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นอะไรหรอหัวคนบางหมดแต่คนก็ไปเชื่อค า, าอยู่ในเหตุการณ์เช่นคนหนึ่งอยู่ที่สนามหลวงคนนึงอยู่ที่สี่แยกกัวเนี่ยไม่เห็นได้ไง มันไม่เห็นแม้แต่ใกล้ตัวเราเองเราก็ไม่เห็นถ้าจะเห็นเนี่ยพวกที่อยู่โทรทัศน์เนี่ยอยู่ในที่สูงแล้วก็ดูจากโทรทัศน์โทรทัศน์มันถ่ายภาพเห็นมากกว่าเยอะเห็นไหมว่าเราเกิดทันเนี่ยมันเรื่องไม่จริงทั้งเยอะเลยในเรื่องเราเกิดไม่ทันเนี่ยคือคนสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้รอบรู้อะไรนักหนาหรอก เพราะว่าการคามนาคมสื่อสารต่างๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้มากเขาก็รู้เท่าที่เขารู้อ่ะและอย่าลืมมนุษย์มีกิเลสมันเอีงอ่ะมันก็คล้ายๆกับสามก๊กเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้ชัดเจนเลยที่ว่าสามก๊กเนี่ยโจหรโจโฉกลายเป็นผู้ทรยศตกฟ้าดินไปเลยโจโฉนั่นคือเป็นขุนนางที่แล้วการแต่งร่างมาถูกต้องตามตัวบทกฎหมายหละพวกเราปี่พวกกวนอู พวกเตียวหวุยเนี่ยเป็นพวกกบฏทียทํำไปแต่กลายเป็นวิรชนเราจะเอาของเบ้งในฆ่าคนตายเยอะเลยกลายเป็นวิรชนไปมันก็อยู่ที่กระแสรสร้างขึ้นมาเพราะฉถ้าถ้าถ้าเราคิดให้ดีแล้วเนี่ยนะเราต้องเอาอดีตเป็นบทเรียนเท่านั้นเองแล้วเราอยู่ด้วยปจุบันให้ดี ศาสนาคารพศาสนธรรมในศาสนาตัวเองนั่นแหละแต่ก็ทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้ระดับศีลธรรมยัรญานะฮะแต่อย่าคิดว่าดีเท่ากันนะมันไม่ม่ดีเท่ากันนะดีก็ไม่เหมือนกันที่ทำไปแต่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรได้ปัญหาตรงนี้มันปัญหาอายตนะคือมองอยังไงอะ คือชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยคือเราคิดว่าทุกคนคือพี่น้องพะศาสนาพูธเรามองปเป็นสเปสตานสัตว์ทั้งหลายทั้งปูงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่ได้มองเฉพาะที่ศาสนาอิสลามหรอกคือไปอินเดียเมืองแขกเมืองจีนเราก็คิดอย่างนั้นตลอดเพราะเราจะเห็นว่าคนไทยพูดได้อยู่ที่ไหนอยู่ได้เราอยู่ทุกส่วนของโลกอะ พอเราถือว่าแตกต่างนี่เป็นนิรันด์แต่ว่าแตกแยกเนี่ยมันมีปัญหาก็พยายามเลอกแตกแยกะยอมรับความแตกต่างพรอแตกต่างเป็นสัญชาียภาพเป็นสัญชาตยศาสต ร, ร์เป็นความสวยงามและเป็นธรรมชาติเหตุนั้นก็อยู่ที่ที่จิตคิดอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ่มรสกายทูกต้องยัง น, นอนอ่อนแข็งใจรับรู้อารมณ์หล่อนั้นคุณคิดอย่างไง แต่คุณคิดไม่ยุติโดยเหตุผลความถูกต้องเนี่ยแต่อ้างตัวเองรู้คนอื่นไม่รู้เขียนประวัติศาสตร์คิดมาเองซึ่งมันมีความขัดแย้งกันเด็กแม้ในหนังสือเอกสารใน่ต่างคนต่างเขียนก็เราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเอาเอาเอาเอาเอ า, เอาคำภีใบใบเบิ้มาเปิดดูก็ได้ชนกันไปนแถวเลยเปน เราก็ต้องอยู่ด้วยเหตุผลและความดีที่เราต้องคิดให้เป็นอิสระเพราะท่านยังไงจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุดได้คือไม่จำเป็นจะต้องใช้อดีตใช้ได้เพียงบทเรียนนะเพราะอาดีตเนี่ยมันก็ดีถูกดีช่ว ย, ย่ังไงมันก็ดับแล้วนะก็สิ่งดับไปแล้วพะโลกแห่งสัมผัสเนี่ย มันจึงกลายเป็นปัญหาของการมองที่เราเรียกว่าทัศนคติคือมันทางดำเนินของความเห็นกติกืิที่ไปที่สุดไม่จ่าจความเห็นมันผ่านประสาทสัมผัสมาแล้วว่าแล้วคุณเห็นยังไงในเรื่องนี้เพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นที่สติเน้นที่สมาธิเน้นที่ปัญญา หมายความทุกเรื่องเนี่ยมันต้องผ่านการคิดยังมีระบบมีกฎปีเกณฑ์มีหลักในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกเฟ้นใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในแง่ของธรรมปฏิบัตินะอันนี้หมายความเราแม่เรามองในแง่ของของมรรคตรกกับสมุทัยศาสตร์ แต่ถ้าเรามองในแนวของมรรคสัต์ได้เนี่ยสมุทัยก็จะสงบเองทุกข์ก็จะสงบเอ ง, างทากฝั่งทังหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไั่บูรณาธรรท่ารทู้ฝั่งทงั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี